หรือใครจะแน่จริงวิ่งทําสมาธิก็ได้แต่ใครจะแก่งกว่านั่นศีรษา ป, ปั ก, กลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าแล้วทําสมาธิได้แต่ใครเคยไปเยี่ยมสํานักชีเปลื่อยจะได้เห็นเขาทําสมาธิด้วยท่าทางที่เอาศีรษะ ป, ปักรงกับพื้นแล้วก็เหยียดเท้าขึ้นบนอากาศกําหนดเจตบริกรรมภาวนาตามแบบของเขาอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวัน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 การที่สามตั้งใจทําจริงคือนึกถึงสิ่งนั้นจริงๆรงิเอาความจริงเข้าเป็นหลักในหลักที่ว่าภาวนาให้มากๆอบรมให้มากมากทำให้มากๆทําให้ชํชนานิชํานาญการตั้งเจตนากําหนดบริกรรมภาวนาเป็นการปรับปรุงปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ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 เพราะอะไรพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อใจของท่านเป็นผูร้รู้คือรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากกลับคือความประมาท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 การที่สังวรระวังรักษาความรู้สึกสํานึกผิดชอบชั่วดีให้ทรงอยู่ในความรู้สึกเป็นปกติคือการสํารวมสตินั่นเองก็มีประสงค์อยู่ในใจผู้มีสภาวะความรู้สึกสํานึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจจะต้องเป็นผู้ตื่น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 ในเมื่อได้สังวรระวังรักษาศีลห้าข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ควรที่จะได้ภูมใจว่าเรามีคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานมีคุณธรรมอันสามารถปราบปรามอำนาจของกิเลสที่จะพึงล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาได้โดยเด็ดขาดแล้ว ถ้าหากท่านใจพิจารณารู้ซึ้งลงไปว่าจิตใจของเรานี่มีความมั่นคงเราไม่สามารถทเมิดศีลห้าข้อได้แม้ข้อใดข้อหนึ่งเราสามารถที่จะสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีลห้าข้อนี้ได้แม้ว่าใครจะมาบังคับให้เรา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 ถ้หาหากใครสละชีวิตบูชาคุณธรรมคือศีลท้าได้เด็ดขาดไม่ยอมละเมิดล่วงเกินแม้ชีวิตจะแตกลับก็ตามผูนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็นประสูดาบันถึงแม้ยังไม่เป็นประสูดาบันก็ใกล้ต่อความเป็นประสูดาบัน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 แล้วท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าโดยฐานะที่เป็นคุณธรรมเท่านั้นจะไม่ได้มีความสาคัญมั่นหมายว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นตัวเป็นตนท่านชายสิทธัตถะที่เรายอมรับว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอเพราะท่านได้บรรลุคุณธรรมคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเอง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 นักภาวนาหรือนัก บ, บาเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้ตั้งใจแน่วแน่ต่อการปฏิบัติถ้าท่านตั้งความรู้สึกไในเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณนัธรรมพระธรรมก็คือคุณนัธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือขุณนธรรม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 ถ้าจิตของท่านเป็นสคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเป็นตนมาจากที่อื่นนั่นเป็นการเข้าใจผิดแต่ทางที่ถูกต้องนั้นก็คือจิตของท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าท่านได้ว่าพระพุทธเจ้ามีตัวท่านก็จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวถ้าท่านได้ว่าพระธรรมเป็นตัวเมื่อจิตสงบลงไปแล้วท่านจะเห็นคำภีพระธรรม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 ถ้าเจตมันสงสัยว่ามัน